ผู้กลจากกิเลตแตจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอาจจะเริงสุ่งย่ิโยง <c oughs> สารุชนที่มาฟังธรรมวันนี้ <c oughs> ก็ตั้งใจฝ่งเนาะคือคือการการศึกษาพระธรรมคมสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการละ ก, กิเลส ตอนนลากิเลสเนี่ยเราต้องรู้จักกิเลสก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะกิเลสมันเกิดสังเกตไหมก็คือว่าจิตเราเนี่ยจะวิ่งไปข้างนอกก่อนนะวิ่งไปหาผู้อื่นแล้วก็นึกถึงผู้อื่นภาพของผู้อื่นนั้นก็จะปากฏเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยเราใส่ใจภาพนั้นให้มากปรุงแต่งภาพนั้นให้มาก กิเลสที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็ย่อม ง, งอกงามกุ้มลมใจคนนั้นตลอดเข้าใจไหมกิเลสมันเกิดอย่างนั้นนะสังเกตุเวลาพี่หนุ่มปุ๊บมีภาพขึ้นมาแล้วเรารักษาภาพนั้นไว้เนี่ยปรุงแต่งไวอง้อย่างน้นอย่างนี้อย่างน้นนีน่กิเลสนะปรุงรักก็จะรักมากปรุงโกรธก็จะโกรธมากปรุงหลงก็จะหลงมากะกิเลสเขาจะเกิดอย่างนั้นอะทุกคนเห็นว่ากิเลสประจาําวันของเราก็คือ การวิ่งไปของจิตทั้งหมดมันเองแล้วก็การวิ่งไปของจิตทั้งหมดแบ่งเป็นก็เรียกว่าแบ่งเป็นใหญ่ๆก็เรียกว่า ย, ย่อๆแบ่งเป็นย่อๆก็ก็คือสองอย่างบุญกับบาปบุญกับบาปปุงแต่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างระวันสังเกตไหมว่าปุงแต่งนี้ยอะไรจะมากกว่ากันดีก็ไม่ดีเนี่ยส่วนมากจะไม่ดี เ, เยอะเลย ได้ดีๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าใจมันชอบต่ำตำะเราสังเกตว่ากิเลสมันเกิดอย่างนี้ทีนี้ว่าเราทุกคนมาฝึกสมาธิเนี่ยเวลาเราฝึกสมาธิทําไงทุกคนก็จะนั่งแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเอาละตอนนี้ไปเราคิดของเราอย่าคิดอะไรนะถ้าคิดกิดจะไม่หลวมจะไม่เป็นสมาธิอทุกคนก็บอกตัวเองอย่างนั้นไม่ใช่หรืออันนี้เราก็ฝึกไปฝึกไปมันก็จะยอมหรือไม่ยอมไม่รู้นะ สู้กันไปอารมณ์หนึ่งก็จะไปอารมณ์หนึ่งเรากจะอยู่ลมหายใจบ้างอยู่ท้องบ้างอยู่หน้าผากบ้างอารมณ์หนึ่งก็จะดึงไปทางโน้นถ้าวันไหนเราสู้ได้วันนั้นเราก็สงบได้วันไหนสู้ไม่ได้วันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ความสงบทีนี้ระหว่างที่เราทำสมาธิปุ๊บเนี่ยเราต้องทิ้งทิ้งการเกิดกิเลสนี้ก่อนอปล่อยจิตปล่อยจตเนี่ยเราไม่ปล่อยละเราก็เอาจิตเนี่ยพยายามอยู่ในตัวเรา อันนี้เมื่เราทําสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์นับนับหนึ่งทุกครั้งนะครับทําทุกครั้งก่อนับหนึ่งทุกครั้งแล้วก็เวลาสู้เนี่ยก็คือนิวรห่านั่นเองกิเลสเราก็คือนิวรห่านั่นเองทีนี้ว่าเวลาเราทําสมาธิสมมุติว่าเราทําสมาธิได้สําเร็จวันไหนเข้าได้นิง่งเรารู้สึกว่าเราปลอดโปร่งลงใจยังยังไม่จบ เราก็สวยในสมาธินั้นอิ่มพอเนี่ยมันก็ออกมาเมื่อออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไปทางตาทางหูจมกูกเล่นกายใจอีกซึ่งมันไปแล้วเนี่ยก็เกิดกิเลสขึ้นอีกเท่ากับว่าเราจะเห็นได้ว่าตอนที่เราเข้าสมาธิเท่ากับละกิเลสหยุดกิเลสสักนิดหนึ่งเราออกมาเราก็มาเจอกิเลสอีกอันนี้แหละจึงว่าสมาธินั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกี เพราะอะไรเพราะเทียวไประหว่างสมาธิกับโลกีสมาธิกับโลกีเราก็เห็นว่าทุกคนก็ทําอย่างเงี้ยเรียกว่าโลกีก็หมายถึงว่าปล่อยจิตที่คิดทำไมทาไมปล่อยจิตให้คิดเนี่ยเป็นโลกีเพราะว่าคนทั้งโลกนี่ทํากันอย่างนี้เราก็เดีว่าโลกก็คือโลกีนี่เองชาวโลกก็ทําอย่างนั้นคนไหนสิ่งใดที่กระทํามากๆเขาเรียกว่าโลกเพราะโลกทุกคนก็ปล่อยใจอยู่แล้วเราะฉะนั้นเวลาเราทําสมาธิเนี่ย ก็หยุดชั่วขณะหนึง่งแล้วเราออกมาก็ไปหากิเลยถ้าเราทําอย่างนี้นะพองว่างก็มานั่งสมาธิแล้วก็วเวลาเลิกสมาธิก็ปล่อยจิตไปเพราะว่างก็นั่งสมาธิแล้วก็เลิกแล้วก็ปล่อยไปเราทํามาสิบ ป, ปียี่สบ ป, ปีเงเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะนั่งทูกครั้งนับหนึ่งทุกครั้งนั่งสู้กันมาตั้งแต่แรกแต่นี้ก็ยังสู้อยู่อย่างหนว่าจบ แสดงว่าสมาธิของเราได้แค่นี้ใช่ไหมใช่แค่นี้เพราะจะได้มากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเวลาเราทําสมาธิเนี่ยเข้าไปในสมาธิเนี่ยจิตเราสงบแล้วเราคิดว่าจะเอาความสงบเนี่ยมาทําลายกิเลสข้างนอกเนี่ยสมาธิมันไม่ได้มาด้วยมันมาถึงได้นหน่อยมันก็หยุดแหละเพราะว่ามันเกินขอบเขตมันอนณาเขตของสมาธิมันลึกเข้าไปจิตเราไม่อยู่นอกกว่า เหมือนเราอยู่นอกห้องแอร์มันก็ร้อนนอกห้องแอร์ก็อยู่เฉพาะที่ของเขาฉะนั้นการเข้าเข้าสมาธิก็เหมือนเราเข้อห้องแอร์นะแล้วเอาเอามาก็ร้อนเหมือนเดิมแบบนั้นแล้วจะเข้าใหม่ก็เย็นหน่อยเฉพาะในห้องออกไปก็ร้อนอย่างเงี้ยฉะนั้นสมาธิเนี่ยจึงว่าเราทุกคนก็มามาลองศึกษาค้นคว้าตรงนี้ก่อนอยู่แล้วแต่ที่นี้มันมีคำถามว่า เราจะทํำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสงบถาวรเลย อ, อยากได้ไหมสงบถาวรนะคือสงบตลอดยีสีเลยแล้วก็ไม่จมําเป็นต้องนั่งถ้าเกิดว่าสงบยี่บสเนี่ยแต่ต้องนั่งเอาหน้าเนี่ยใครก็นั่งไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันเจ็บแต่เราจะทํายังไงใหงนน้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ทุกอย่างเนี่ยให้เราเป็นหนึ่งเดียวถ้า เราทาได้การบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นฉะนั้นการบรรลุธรรมคือการละกิเลสสามตัวละกิเลสสามตัวของเราเนี่ยมันเกิดจากการจิตที่เราส่งนอกถ้าเกิดว่าทำสมาธิแล้วเนี่ยเรายังส่งนอกอยู่เราก็กลายเป็นสมาธิโลกีเพราะว่าไปนอกก็คือไปโลกไปโล ก, กีแล้วเองเราก็ไม่สามารถจะพ้นเป็นเป็นพระาราหันพระยเจ้าไ ด, ได้ไม่ได้นะ ทนี้เราจะทํายังไงเนี่ยจะให้เรากีเรสมันไม่มีสมมุติว่าถ้าขืนปล่อยให้จิตไปเนี่ยมันก็มีทุกครั้งและเวลาเรานึกเนี่ยมันมีทั้งภาพอดีตอนาคตปัจจุบันมีหมดเลยแล้วก็สิ่งใดที่เราจําี่เราทําตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยมันก็อยู่ในจิตเราหมดมันจะโน้ตไปหมดมันก็เอามาคีดของเก่าบ้างเล่าใหม่บ้างของใหม่บ้างของเก่าบ้างอดีตอนาคตมั่วไปหมด สรุปแล้วก็คือเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเนองอารมณ์เหล่านั้นนะดังนั้นตัวเราเนี่ยวันๆมีขันห้าก็คือมีร่างกายนี้แล้วก็ใจที่วิ่งออกไปนะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ<ม>ก็คือกิเลสเราเนี่ยเองทีนี้คนเราจะละกิเลสเนี่ยจะละอย่างไรคือการละกิเลสก็คือละอย่างนี้ว่าเราต้องปิดทางเส้นเก่าเลยคืนปล่อยต่อไปเนี่ยกิเลสเราก็ต้องเกิด การที่ไม่ปิดเนี่ยแล้วเราจะให้เราเนี่ยเดินไปด้วยละก็หมดกิเลสไปด้วยไม่ได้นะฉะนัะ้นพระรยเจ้าทั้งหลายนะท่านจึงว่าเป็นธรรมย้อนสอนเป็นธรรมย้อนกระแสหมายถึงว่าอตอนที่พระเจ้าบรรลุใหม่ๆเนี่ยท่านท่านเห็นว่าทีแรกท่านจะแสดงธรรมท่านก็เห็นว่าชาวโลกนี้เนี่ยอมีจิตที่ไหลไปตามกระแส แต่ทำข้อเราเนี่ยเป็นทำย้อนกระแสการที่เราจะสอนให้คนอื่นเนี่ยเอาจิตที่ย้อนกระแสเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเราคงจะไม่ค่อยแสดงธรรมเล้วดีดีไหมอะไรจะมองนั้นณะตอนนั้นเลยนะเพราะว่าเห็นความลำบากว่าในในโลกนี้คนทุกคนปล่อยใจออกไปเลยแต่ทำเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ปล่อยและการที่จะสอนคนที่ปล่อยเนี่ยมันจะรอดไหมเขาจะทาได้ไหมเขาเรียกวาพุทธเจ้า ลำพึงได้ว่าจะสอนพุทธจะสอนทำไมไม่สอนทำไหมเพะนั้นพระเท้าพระรมนะ้องสัาปฏิพม์ก็ามารูปอรัตนาที่เราเหมือนอรัตนานี่เองทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสงบตลอดไม่เข้าสมาธิก็สงบเข้าก็สงบเนี่ยเราอยากจะให้สง บ, บ2ี่สี่ชั่วโมงเนยมันจะมีไหมแบบนี้อน่ะ ที่เราทําสมาธิสงบแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเองแล้วหนึ่งสองชนะั่วโมงนั้นบางครั้งทํนะมีแต่น้ำเนื้อเขาจะมีซะด้วยน่นะอันนี้อันนี้เราเปรียบเทียบถึงว่ามันจะมีไม้ที่คนที่สงบี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วสงบโดยที่นั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้เพราะจะให้นั่งเขาคงไม่ไหวหรอกมันเมื่อยแต่มันยาวเกินไปแล้วสงบวันหนึ่งไม่พอสองวันสามวันสี่วันห้าวัน เป็นร้อยวันเนี่ยร้อยปีเนี่ยได้ไหมได้สงบขาดเลยเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนไม่ไม่มีงานงอกแล้วเนี่ยได้ไหมได้่มันได้ได้ยังไงอะก็คือต้องละกิเลสสามตัวนั้นทีนี้การละกิเลสสามตัวเนี่ยเขาจะปิดทางเส้นนั้นเลยเพราะสมาธิเราไม่ได้ปิดเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเวลาออกมาก็ไปทางเก่านั่นเนี่ยเออกมาก็ไปทางเก่าทำสมาธิเนี่ยออกมาก็ไปทางเก่า ทีทางเก่านั่นก็คือเราต้องปิดเลยเราจะปิดได้ไงปิดด้วยการอบรมอะเยี่ยมมาแสดงว่าเราทําสมาธิอย่างเดียวยังไม่พอจะต้องอบรมมัคด้วยหรือใช่เพราะมัคเนี่ยต่างจากการทําสมาธิมัคเนี่ยเป็นแป ล, แปลว่าทางมัคเป็นการเปลี่ยนทางเดิมของจิตจากธรรมชาติของคนเราเนี่ยวันวันปล่อยจิตออกคิดถึงผู้อื่นอันนั้นคือคือดังเดิมของเรา แต่มาร์กบีองแปดเนี่ยจะเอาจิตของเราเนี่ยมาเดินอยู่ที่ตัวเราเองนะเดินที่ผมคนเล็บฝันหนังนะพระเจ้าเนี่ยสอนพระพิสุขบวชมาก็ให้ละผมคนเล็บฝันหนังแล้วก็กําชับว่าให้เธอเนี่ยเอาจิตท่องเที่ยวอยู่ที่นี่นี่เป็นที่โครจรของเธอนอกนั้นเป็นอโควจรนะถ้าเมื่อใดจิตของเธอออกทางตาเขาหมานก็จะจับเธอด้วยทางตานั้น ทางหูจมูกลิ้นกายใจหมายเลยว่าทางนั้นนะให้ปิดเลยพระเจ้าให้ปิดหมดเลยแล้วเดินทางใหม่เดินทางใหม่นั่นก็คือว่าทางเก่าคือคิอคดถึงเขาทางใหม่ก็คิคดถึงเราดิมันจะเป็นใครได้ล่ะแสดงว่าเราเอาจิตนนะ่ท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยให้ได้คาว่าท่องเที่ยวหรือว่าให้ได้หรือให้เห็นเนี่ยเป็นยังไงคือทุกคนลองหลับตาเนื้อดูสิแล้วก็ลืมตาในนึกถึงตัวเราเนี่ยเราเห็นตัวเองไหม เราจะไม่เห็นเลยนะแต่รู้เท่านั้นเองรู้ว่านั่งอยู่ในรูนะรู้สึกแต่เห็นไว้เนี่ยไม่เห็นไอการที่เราไม่เห็นนั่นเองเขาเรียกว่ามันไม่แจ้งนะที่ว่าบ่าวาเห็นแจ้งทำเห็นแจ้งทำคือเห็นแจ้งตัวเองทำไมเรานึกไม่นึกถึงตัวเองแล้วไม่เห็นล่ะทำไมนึกคนอื่นไม่เห็นไหมล่ะชัดเลยนะนึกคนอื่นเลยชัดเลยเอ๊คนนั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นยทาไมชัดอ่ะ มันชัดด้วยจิตนั่นแหละนึกกลางคืนก็ชัดไหมก็ชัดสว่างเหมือนเดิมกลางวันก็สว่างกลางคืนก็สว่างเอ๊ะมันสว่างอะไรกลางคืนมันไม่มีหลอดไฟอะไรมันสว่างด้วยจิตของเราฉะนั้นเราจะย้ายธรรมชาติว่าปกติคนเรานึกถึงคนอื่นภาพคน อ, อื่นชัดเนี่ยเราจะธรรมชาตินั่นแน่ย้ยายมาอยู่ที่ตัวเราเข้าใจไหมเห็นเขาอย่างไรให้เห็นเราอย่างนั้นตอนเนี้กรรมวิธีก็คือพยายามปิดภาพเขาแล้วก็พยายามสร้างภาพเรา มารคคือทําอย่างนี้นะมาร์กก็คือว่าเปลี่ยนเส้นทางเลยมาร์กไปว่าทางเดินทางเดินเราจากถ้าเราไม่เปลี่ยนนะปัญหาไม่จบเพราะเราทําสมาธิออกมาก็ไปทางเก่าอยู่ดีแต่ถ้าเราเปลี่ยนได้ปัญหาจบด้า น, นทางเส้นใหม่ก็คือว่าตัวเราเนี่ยหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวแคบนิดเดียวทางเก่าเนี่ยคิดออกไปข้างนอกเนี่ยกว้าขงขวาง โลกนี้มันกว้างพอที่จิตเราจะโลดแล่นไม่จนไม่ชนมุมไม่จนไม่จนมุมนะไม่ชนกันมันเยอะแยะไปเราก็ไปได้แต่ว่ามันกว้างเนี่ยเมื่ออะไรกว้างเนี่ยเราจับจับจิตไม่อยู่หรอกเพราะมันกว้างเหมือนน้ํากว้างเราจับปลาได้ยังไงเหมือนป่ากว้างมีลิงอยู่เนี่ยเราจะจับลิงได้ยังไงป่ากับลิงมันมันชอบกันมันพอกันฉะนั้นจิตเราเนี่ยเวลาเราไล่จับมันจับไม่ได้เดี๋เพราะมันกว้าง แต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้กว้างเลยนะเพอเรูปร่ากว้างก็สอบยาวก็วาหนาก็คืออือยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนลิงในกรงนะเอาลิงในกรงเนี่ยแคบดีเอาลิงในป่าจับเสียเปียบนะเสียที่กแบบลิงแต่ถ้าลิงในกรงเนี่ยลิงเสียเปียบนะนะเราจับอยู่หมดนะดะนั้นอผู้เจ้าทั้งหลายเนี่ยพระรหัตทั้งหลายก็คือว่าให้จิตท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราแล้วให้เห็นตัวเราเนี่ยแจ้งชัดเหมือนเรานึกถึงคนอื่น ถ้าเราย้ายธรรมชาตินี้ได้สําเร็จนะปัญหาจบเลยจิตเรศเราจะดับหมดเลยเพราะทําไมมันดับเพราะเพราะว่าวันวันหนึ่งมีแต่ภาพเราคนเดียวของโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกสักคนมันมันมันเปลี่ยนธรรมธรรมชาติมันเปลี่ยนด้านเพราะเราทำไมเปลี่ยนด้านเพราะเราเปลี่ยนทางมันนะธรรมดาจิตมันคิดถึงผู้อื่นเนีราะฉะนั้นพระเจ้าสอนตั้งแต่วันบวช บ, บอกว่าจิตนี้ให้ท่องเที่ยวอยู่ในที่โคจร น, นี้เนี่ย หัวถึงเท้าก็เลยอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองเนยเห็นทีแรกเขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาสัญญาคืออะไรสัญญาก็คือว่าเราเคยเห็นคนอื่นที่คนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราจำได้ไหมหนังสืออันสุภาะเราจำได้ไหมอ๋อจำได้แล้วก็นึกเราเนี่ยนึกนึนึกหนึงเราเนี่ ย, ยสมมติเราเนี่ยเหมือนเหมือนภาพคนตายคนนั้นเราไม่ได้ออกคนตายมานึก แต่นึกถึงเราเนี่ยอาศัยอุบายเขาเอาแค่อุบายพอทำอย่างเนี้ยเดี๋ยวดวงตาเราจะเปิดทุกคนเลยเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเนี่ยที่เราจะดวงตาเราจะเห็นธรรมตรงนี้เห็นธรรมนี่หมายถึงอะไรดวงตานั้นเห็นตัวเองเชื่อไหมทุกคนเห็นตัวเองร้องไห้ทุกค น, นไม่เคยเห็นอย่างหลวงพ่อพุทธาทาสังกล่ า, า ว, ว่านกเนี่ยไม่เคยเห็นฟ้าเลย แก่แต่ก็อยู่บนฟ้านั่นเองไส้เดือนอยู่ไม่เห็นดินแต่ก็อยู่ในดินน่ะนกเห็ฟ้าปลาไม่เห็นน้ําไส้เดือนไม่เห็นดินเราอยู่กับตัวเองเราไม่เคยเห็นกันเลยแต่ที่ผู้อื่นเห็นเอาเห็นเอาตอนเนี้เรากลับด้านกันให้เห็นตัวเองซะแล้วจะให้ได้ด้วยนะวิธีย้ายทําไงวันวันพยายามนึกภาพตัวเองด้วยอุบาย สมมติเราไปเห็นภาพในคนตายเราจําได้แล้วก็ น, นึกของเราเดินเหมือนเรามันเป็นผีดิบในหนังแหละนะเดินเหมือนเหมือนเราเป็นผีดิบเดินได้นั่งก็ดีนอนก็ดีเดินก็ดีทําสมมุติออกไม่มีใครรู้หรอกทำไปเรื่อย ๆ, ๆอันนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาเอาสัญญามาปรับลบเป็นอุบายแล้วก็เห็นด้วยสัญญาต่อไปสัญญาตัวนี้เนี่ยแก่ตะลาขึ้นมาแ ก, กา่ก้าวมันมาทําประมาณยี่สิบสามปี ร่ากายเป็นร่างจริงเราจะเห็นร่างจริงเราชัดด้วยชัดทีละน้อยละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายแล้วความเห็นของเรารักษาไว้อย่าให้ใหายให้มันเป็นเครื่องอยู่ตอนนี้เราจะย้ายบ้านอยู่แล้วเราจะไม่อยู่กับไข่แล้วจิตของเราเนี่ยผู้หญิงไปอยู่กับผู้ชายหมดร้องไห้ผู้ชายไปอยู่ผู้หญิงหมดดีใจเสีย ใ, ใจร้องไห้กันนะรับกันเบียดเบียนกันอยู่ในนั้นหมด อันนี้ทุกคนอยู่แต่ตัวเองนะแล้วตัวเองเนี่ยเราที่พิจารณาตัวเองเห็นด้วยเห็นเห็นที่แรกเห็นตัวเองด้วยอุบายต่อมาจากอุบายนั้นก็จะกลายเป็นร่างจริงร่างจริงเขาเรียกว่าญาณทัศนะเมื่อร่างจริงเนี่ยเราก็ทําให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมันจะชัดขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยโดยการอบรมสี่อย่างเขาเรียวกว่าสม ป, ปทานสี่สี่อย่างเป e ็นยังไงหนึ่งเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเพราะภาพเราไม่ก็จะเห็น หาอุบายสร้างสองภาพเราที่เห็นบ้างแล้วรักษาไว้เพราะภาพเราเป็นกุศลจิตคนไหนที่บอกว่าคิดไม่ดีเยอะแยะนะมาทําตรงนี้หายหมดต่อไปจิตเราจะไม่มีเลยคิดไม่ดีคิดยังไม่มีเลยนะเพราะจิตคนเรานี้ออกนอกมาเป็นอกุศลส่วนใหญ่แต่ถ้ามันอยู่ในตัวเราปุ๊บจะเป็นกุศลอย่างเดียวเลยนะแล้ว <c oughs> อ่าภาพคนอื่นที่คอยจะขึ้นมาเราตัดเสีย อืไม่ให้มันคิดนไม่ให้มันมีเช่นว่าผู้หญิงไม่นลิกหนุผู้ชายตัดภาพผู้ชายทิ้งเลยจะไปคิดผู้ชาย ก, ก็เหมือนนี่กหนผู้หญิงตัดภาพทิ้งเลยจะไปคิดเพราะคิดทําให้กิเลสตัวมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องตัดตอนไม่ให้มันคิดต่อไปเหมือนฟืนเราไม่ใส่ไฟไฟก็จะมอดลงมอดลงนานแล้วเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้แล้ว ม, มีนดำซ้ํามาคิดถึงตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะใจเราก็เลิกตอนนี้กิเลสเราก็ไม่มีอาหารให้เลยละ การที่เราไม่คิดความคิดงวทุกวันของเราเนี่ยที่คิดไปเนี่ ย, ยมันเป็นอาหารเลี้ยงใจเลี้ยงกิเลสสามตัวนันให้ให้ให้อ้วนอยู่เสมอนะเพราะกิเลสเนี่ยมันมีกิยยเลสเก่ากับกิเลสใหม่กิเลสเก่ามันอยู่ในจิตเราอยู่แล้วแล้วกิเลสใหม่ก็คือความคิดประจำวันนี่แหละมันเป็นอาหารมันตอนนี้เราพิจารณาตัวเราเอาจิตไว้ตัวเราเนี่ยเราไม่ให้อาหารมันเลยนะ ต, ตอนนี้ไปผู้หญิงก็ไม่เคยคิดถึงผู้ชายมานานแล้วผู้ชายก็ไม่คิดถึงผู้หญิงมานานจิตท้อง ของคนนั้นก็อยู่กับตัวถ้าเป็นพระก็อยู่ได้สบายไม่มีศึกแต่ว่าะอะไรก็พระเจ้าสอนไว้ให้ท่องเที่ยวอยู่เทนี่ที่นี่เป็นที่โครจรฉะนั้นจิตพระเนี่ยไม่ออกตโตตัวเลยต่อมาความเห็นตัวเราเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นเห็นด้วยทีแรกเนี่ยด้วยเห็นด้วยอุบายแล้วต่อมาเราก็จะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นร่างจริงร่างจริงจริงก็คือร่างปัจจุบันแล้วเราก็จะทะลุทะลวงไปถึงตับไตเส้นผูนแล้วรักษาภาพไปอย่าให้หาย ให้เป็นเครื่องอยู่กับชีวิตป mm ัจ hmm. จุบันเราเลยกลายเป็นว่าวันวันหนึ่งเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนเราอยู่ได้สิบเปไปอยู่คนอื่น90ต่อมาเราก็อึดเข้ามาอึดเข้ามาต่อมาเราอยู่ได้เจ็ดได้30มสิบละอยู่ที่อื่นกคเจ็ดสบอย่างเงี้ยต่อไปเราก็อยู่ตัวเองได้ห้สิบอยู่ที่อื่นห้าสบต่อไปเราอยู่ถึงเจ็ดสิบละอยู่แค่สาต่อไปเราถึง90อยู่ที่อื่นก็สิบเดียวต่อไปเราถึงร้อย ปิดแต่โลกนี้ปิดเลยในโลกนี้มีแต่ภาพเราคนเดียวชัดที่สุดในโลกคนอื่นนึกไม่ออกดีไหมโยมเมื่อเราคนอื่นนึกไม่ออกก็ดีจิตไม่ออกนอกก็ดีราค้าโทรศัโมหะก็หมดเพราะบอกแล้วว่าจิตที่มันเกิดราค้าโทรศัโมหะเกิดจากจิตส่งนอกไงแต่ตอนนี้เราไม่มีส่งเลยแม้แต่ยีสิบสี่ชั่วโมงยังไม่คิดออกไปเลยทําไมอยู่ตรงไหนอยู่กับตัวเอง เราเคยได้ยินไหมว่าพระละหันตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นเราได้ยินอย่างนี้ยังไรต่ะแตุูุ่รน้่ะตัวอยู่นี่จิตอยู่โน้นตัวอยู่โน้นจิตอยู่นี่อันนี้คือปุ้รู้ชนเฮ้ยความแตกต่างฉะนั้นวิธีนี้เองทําให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยไม่เคยทิ้งเลยแม้แต่นาทีเดียวเพราะอะไรเพราะมันเห็นแจ้งและความแจ้งของเราไม่เคยดับตลอดยี่สิี่ชั่วโมง เช่นเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยวันๆหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยภาพไม่เคยดับเลยเดี๋ยวภาพนู้น ม, มาเดี๋ยวกับภาพนี้มาเดี๋ยวกับภาพนู้นมาใช่ไหมล่ะนะทุกนานทีเนี่ยมีแต่ภาพไม่เคยดับแต่ไม่เคยดับแบบเขาแต่ตอนนี้เรามาเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยตลอดยี่สิบสี่ก็ไม่เคยดับแต่ไม่ดับแบบเรานะอันนี้อันนี้ต่างกันนะอันนี้เขาเรียกว่าการอบรมมาร์กจะเป็นอย่างนี้ เมื่อเราเห็นตัวเองอย่างนั้นแล้วเนี่ยอยู่ที่ตัวเองได้เนี่ยปัญญาของเราก็เกิดขึ้นไปตัวเราทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ย <c oughs> อะไรคือตัวตนตัวตนของเราอยู่ที่ไหนซึ่งคำคำนี้เนี่ย <c oughs> คำคำนี้เนี่ยทุกคนนะจะมีสัญชาตญาณอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า รู้สึกว่าในชีวิตเรานมีคําว่าเราอยู่ต้องสํารวจดูที่ว่าทุกคนจะให้ความรู้สึกว่าคําว่าเราคํานี้เนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตเราเราลึกให้ดีว่ามันจะมีคําว่าเราซบทวนดูที่ว่าในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีคําว่าเราคําว่าเราคำนี้เนี่ยมันหมายมั่นว่าอยู่ที่ไหนเช่นว่านี่ชื่อของใครชื่อของเราลูกหลานของเราสามีภรรยาของเราสักสมบัติของเรา คำว่าเราเนี่ยมันเป็นการมันเป็นธรรมชาตทายาทของจิตที่มันคิดขึ้นมาเองว่าเรามีอยู่ทีนี้ถามว่าเราเนี่ยคำนี้เนี่ยมันอยู่ทางไหนของชีวิตเราอยากจะรู้นักว่าคําว่าเราน่ะมันอยู่ส่วนไหนของชีวิตทุกคนก็จะชี้ว่าเนี่ยในเนื้อหนอังนี่แหละใช่ไหมล่ะเราอยู่ที่ทีนี้เราพาจิตไปดูที่ว่าคําว่าเราอยู่ในร่างนี้เนี่ย มันอยู่ส่วนไหนของอวัยวะจิตเนี่ยได้รับการอบรมเนี่ยเราจะดึงมาเนี่ยมาดูตัวเราเนี่ยท่องเที่ยวไปในตัวเราเนี่ยมันก็ค้นดูว่าเราอยู่ที่สมองไหมไม่มีดูตับดูใจดูไส้ดูพงุงดูตัวนั้นสุดท้ายหาครับว่าเราอยู่ที่ไหนไม่มีมันร้องไห้โหทุกคนเนี่ยลองไม่เชื่อลองเห็นดูดิร้องไห้โหแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอนาคตที่เราเคยคาดการณ์ว่าจะทำยังไงเหี่ยววู เหมือนเราไม่มีอนาคตแล้วเพราะว่าเราไม่มีที่นี่ที่นี่ไม่มีเราเคยคือในภาษาษาธรรมเนี่ยพระเจ้าท่านบัญญัติว่าคำว่าเราคำนี้เนี่ยมันเป็นตัวใหญ่มากเรามีอยู่เขาเรียกเราภาษาภาษาธรรมเรียก ว, ว่าอหางการเมื่อเรามีของของเราก็มี เมื่อของหลองเรามีจิตก็ซ่านไปเราจะหาหาเราจะหาเหตุของว่าทำไมจิตของเราถึงซ่านไปในโลกนี้มากมายเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากเราคำเดียวนะมันจะมีคาว่าเราคำเดียวแล้วเราคำนี้นี่มันเป็นการให้ค่าขึ้นมาของเราเองจิตเราเองว่าให้ค่าว่าเราคือร่างนี้ร่างนี้คือเรา แต่เมื่อจิตเนี่ยไปได้ท่องเที่ยวไปดูอนะวัยวะต่างๆในตัวเราเนี่ยจะค้นหาคําว่าเราอยู่ที่ไหนมันไม่มีเมื่อมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าโอ้ถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยถ้านั้นตาก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราจมกูกเล่นกายใจที่เราใช้อยู่ก็ไม่ใช่ของเราสิใช่ถ้าตัวไม่ใช่เราตาไม่ใช่เราแล้วส่งจิตไปทำไมแสดงว่าการส่งจิตไปเพราะเขาไม่มีคําว่าเรา คำเดียวใช่ไหมใช่แต่บัด น, นี้เราเห็นว่าเราก็ไม่มีที่นี่ที่นี่ก็มีเราแล้ะควรจะส่งจิตออกไปไหมจิตก็บอกว่าไม่ควรแสดงว่าคนทุกคนที่ปล่อยจิตออกไปคิดถึงผู้อื่นคนเหล่านั้นถูกอวิชามอมเมาทั้งนั้นเลยคือความไม่รู้บัด น, นี้เรารู้แล้วว่าการมีพฤติกรรมเช่นนั้นเนะ่ะเช่นว่าวันๆปล่อยจิตคิดถึงผู้อื่นนะเป็นพฤติกรรมที่ผิด โอ้เราไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดมาได้จะเกิดหรือนี่ถูกต้องทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยแต่ไม่รู้ตัวเองผิดพอนึกว่าเรามีอยู่ในที่นี่เนี่ยมันถึงได้สําคัญมั่นหมายบัดนี้เราเห็นว่าเราว่างเปล่ารูปว่างเปล่าเวทนาสัญญาสังการวิญญาณว่างเปล่าคือการเห็นตัวนะมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัววิปัสนาแล้วจะไม่ให้ตัวเนี้ยจะไปเคลียร์จิตเนี่ยให้หยุดลงถ้าไม่มีตัวนี้เข้าไปเคลียร์ไม่หยุด ไม่มีทางหยุดต่อเป็นตัววิปัสสนาว่าถ้าเราไม่มีตาก็ไม่ใช่มีของเราหูก็ไม่ใช่ของเราบ้านทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติ ต, ต่างๆลูกหลานบ้านช่องก็ไม่ใช่ของเราดังนั้นเราจะส่งจิตไปทําไมการส่งจิตไปเพราะเป็นความไม่รู้เป็นความผิดพลาดของเราเองใช่ไหมถูกต้องเมื่อรู้ตัวเองว่าผิดก็รู้ขณะดีว่าเองว่าตัวเองว่าผิดรู้ถูกก็ปรากฏในที่นั้นว่า ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยทางถูกทางที่ถูกทําอย่างไรก็คือตอนนี้ไปก็อย่าส่งจิตออกนอกคนนั้นก็ปิดเลยคนนั้นก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันไม่มีจิตออกนอกนะเพราะรู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้เขาเรียกว่ารู้อริยสัจเราเห็นไหมนี่คือการใช้ปัญญายังไม่ได้ทําสมาธิเลยเพียนเราติเปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพเขากับเราเท่านั้นเองเปลี่ยนภาพให้เป็นเราเท่านั้นเอง จบปัญหาจบนั้นมาร์กเนี่ยไม่ใช่การนั่งสมาธิมาร์กเป็นการที่เปลี่ยนทางนะพยายามที่จะให้จิตของเราไม่เดินทางเส้นนั้นไม่เดินไปทางตาทางหูไม่คิดถึงใครทั้งหมดในโลกคิดถึงเราเองแล้วก็เอาเราเนี่ยสู้จนในสุดเราชนะภาพเราคนภาพเดียวท่าภา พ, ภาพทั้งหมดในโลกนี่ออกหมดเลยจิตเราก็สะอาดตอนนี้ไปผู้หญิงก็ไม่มีภาพผู้ชายนั่งอยู่ในใจ ผู้ชายก็มีภาพผู้หญิงไม่มีภาพใครนั่งอยู่เลยตัวเองอยู่ที่ไหนจิตเราก็อยู่ที่นั่นก็ตรงอันเดียวกับพระยาเจ้าเองฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจึงว่าไม่มีจิตออกนอกถ้าพระโสดาบันจิตออกนอกพระโสดาบันจะคัดจะจะมีความคัดอะไรคัดขานกับการเห็นของตัวเองนะความเห็นตัวเองเนี่ยเห็นอย่างนั้นมันต้องไปทางทิศทางเดียวคือไม่คัดขานก็คือการไม่ออกแต่ถ้าออก ค้านเลยค้านกับอริยสัตว์ดนั้นพระโสดาบันจะค้านไม่ได้เพราะพระโสดาบันเห็นแจ้งฉะนั้นปริยาเห็นแจ้งเนี่ยเราจะเห็นตัวเองทุกทุกนาทีนะเราจะเห็นตัวเองเนี่ยทุกวินาทีเลยกลายเป็นว่าพระยาเจา้าทัดแต่โสดาบันวันวันหนึ่งมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่มีภาพตัวเองชัดที่สุดในโลกแล้วภาพอื่นไม่มีซับภาพเลย อยู่ในใจใเราขณะที่เราไม่มีใครพสักภาพในตาเราก็เห็นคนอื่นอยู่หูก็ได้ยินคนอื่นอยู่ให้เห็นแต่ตาเห็นแต่หู จ, หจิตไม่รับจิตไม่รับเลยเพราะจิตรับภาพเราแล้วมันก็เลยโมฆะหมดเลยตาหูอจตนะเราก็ปิดปิด ท, ทั้งทั่งที่เปิดอยู่ฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีจิตรั่วไหลแม้แต่นดิดเดียวแล้วเราก็พิจารณาตัวเราอีกไปโน่นชัดที่สุดก็คือพระนาคามี เราจะเห็นตัวเองชัดที่สุดคือร่าง แ, แท้ๆของเรานี่แหละไม่ใช่ร่างนิบิตนะร่างนิบิตมันหายแล้วเราให้เป็นร่างจริงของเราเนี่ยไม่หายแล้วก็อยู่กับตัวเองเราพิจารณาตัวจนดึงผ้านาคาเมีเนี่ยเราจะเห็นตัวเองชัด100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผาสปาโวดาบานก็ประมาณหสิบจ็ดสิเปอร์ซ็นตจิตก็อยู่หละ จิตไม่ออกล่ะแต่ก็จริงแต่ว่ายังยงรายละเอียดยังเข้างในยังไม่เก็บแต่ถ้าถึงพภาพนาคามีเนี่ยความบินหญิงเป็ชายก็สิ้นสิ้นได้อย่างไรสิ้นได้ก็เพราะว่าหนึ่งคนคนนี้เนี่ยไม่คิดถึงเพศตรงข้ามมานานแล้วไม่เคยคิดถึงภาพใครแล้วอยู่แล้วไม่ว่าเพศตรงข้ามก็ดีว่าไม่ว่าเพศเดียวกันก็ดีไม่ว่าสิ่งของก็ดีเขาไม่คิดทั้งนั้นเขาไม่ตั้งภาพคนอื่นไว้มานานแล้วจึงไม่มีภาพนั้น นะแล้วก็สองก็คือว่าคนคนนี้เนี่ยเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วเกิดการเบื่อหน่ายตัวเองว่าตัวเองเป็นของว่างเปล่าเต็มไปได้วยสิ่งปฏิกูลเหมือนเราเนี่ยแบกศพทุกทุกวันแบกศพตัวเองอยู่แล้วก็เบื่อตัวเองมากที่สุดจนว่าเบื่อไปลามไปถึงเพศตรงข้ามลามไปทุกคนว่าทุกคนไม่มีอะไรแน่นอน ก็เลยไม่มีจิตที่จะเป็นหญิงเป็นชายต่อไปความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดพูด ง, ง่ายก็คือไม่เคยส่งจิตหาใครเลยจารมรลาคะก็ไม่ไม่กำเริบโทสะ ก, ก็ไม่กำเริบฉะนั้นเวลาเวลาเวลาคนดับกิเลสเนี่ยจิตเขาจะไม่ออกนอกเลยนะหูตาฟังตวหูตาได้ยินแต่ว่าจิตมันไม่มีออก <c oughs> ไม่มีออกตลอดชีวิตนะ พราะเราได้รับคําตอบว่าเมื่อเราไม่เที่ยงรูปนีไ้ไม่เที่ยงจิตที่ออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญารณ์ก็ไม่ใช่ของหลังแล้วก็ปิดซะดับที่ผัรษะเมือ่อพรรษาไม่มีเวทนาก็ไม่มีตัณหาก็มีอุปทานก็ไม่มีเท่ากับว่าคนคนนี้ก็คือว่าจิตอยู่กับตัวตลอดเวลาจนไปถึงพัฒ น, นาคามีโนนเราก็พิจเกาเราก็เลิกพิจารณาตัวแล้วเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ย เห็นตัวเองชัดเนี่ยเราเออก พ, พระอนาคามีเป็นเกติพอชัดเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นถ้ายังไม่สิ้นแล้วก็พิจารณาต่อไปอยู่จนเมื่อไหร่สิ้นแล้วเราก็เลิกหลังจากเราเป็นพระอนาคามีแล้วการพิจารณากายก็จบแล้วทำไงต่อแล้วทําสมาธิต่อมักมักเขาจะทําสมาธิตอนหลังเราจะเห็นว่าข้อแปดทำทีหลังแต่เรานะํามา ท, ทําทีแรก ทำได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ทำศึกษาดูทำที่แรกนิดหน่อยวางก่อนแล้วมาอบรมมักเมื่ออบรมมักแล้วเรามาทำสมาธิอีกทีเนี่ยมันง่ายง่ายอย่างไรเพราะสมาธิเราทำที่หลังมันง่ายตรงที่ว่านิวรณ์ห้าเราดับไปแล้วดับไปแล้วแล้วเวลาเราจะทำสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนคนทุกคนจะทำสมาธิเนี่ยเอาละเราจะทำสมาธินะ อาตาห ล, ล, ลับตานอกลืมตาไหนเอามือวางามือขวาทับมือซ้ายแล้วทําใจให้สงบเอาละวันนี้ต่อสู้กันนะสู้กับตัวเองสู้กับอารมณ์ตัวเองทุกครั้งเราทําที่ไรก็สู้ทุงนี้ทุกครั้งทุกครั้งไม่ใช่เหรออันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกียร์เาเรียกว่าสมาธิทําแล้วยากทํายากทําลำบากเพราะอารมณ์มันไม่ค่อจะหยุดแต่เมื่อเราใดเนี่ยเราอบรมมา ก, ก่อนเนี่ย เห็นตัวเองชัดก่อนจนไปดึงพันนาคามีก่อนแล้วค่อยทำฌานเวลาทำสมาธิมันง่ายง่ายตรงไหนง่ายตรงที่ว่าเราทำสมาธิน่ะมันไม่มีใครขวางเราจะเข้าสมาธิเข้าเลยอารมณ์สั้นิดนึงมาขวางก็ไม่มีหน้าไหนไม่มีหน้าไหนอารมณ์ของอารมณ์ที่จะมาขวางเราเราจะเข้าสมาธิก็เข้าเลยเวลาออกก็ออกเลยไม่เข้าก็เข้าเลยไลก้การขัดขวางเพราะแทสิ่ง สิ่งที่ขัดขวางเราเนี่ยเมื่อก่อนเราทําทีแล้วก็นับหนึ่งทีสู้กันทีเนี่ยพะนั่นคือนิวรณ์แต่ตอนนี้เนี่ยเราอบรมสติปัฏฐานสี่มาเนี่ยเราทําลายนิวรณ์ได้หมดแหล่งกามาันทะเราก็ละได้พยาบาทก็ละได้ธินมิทะมุทตะทีกิจจาซึ่งเวลาเราทําสมาธิมันง่ายทําแล้วเข้าเลยจะเข้าก็เข้ า, เ, ขาเลยจะออกก็ออกเลยเข้าเลยออกเวลาเข้าสมาธทิทุกครั้งไม่เคยสู้กับใคร นะไม่เคยสู้เพราะไม่มีอะไรจะสู้เพราะกิเลสมันหมดแะได้เมื่อทำสมาธิชำนับชำ น, นี้ชำนานแล้วเนี่ยพรเจ้าก็สอนให้เราเดิน้อมจิตไปทางวิจาสามซึ่งเวลาเราทำสมาธิตอนหลังนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมาพิจารณากายที่เขาทำสมาธิแล้วถอยพิจารณากายเราไม่ถาเพราะอะไรพอเราพิจารณากายจบเลเราพิจารณ า, กกาด้วยสติแต่ตอนนี้เราจะทาสมาธินะ สติกับสมาธิมันคลนละอย่างไงทีนี้ว่าเมื่อเราทําสมาธิไปตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุฌานอรูปฌานทำเข้าออกเข้าออกเนี่ยไม่ยากเพราะว่าฌานเนี่ยมันทําไม่ยากหรอกแต่ว่าฌานทํายากกว่าพิจารณกายมันทํายากกว่าถ้าเราพิจารณากายจบแล้วไปทําง่ายไปหมดเลยเราได้หมดเลยทั้งฌานทั้งฌานแล้วเราเราทําทําสมาธิเข้าออกเข้าออกให้ชานาญ เราก็น้อมจิตไปทางและลึกชาติได้ว่าเราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเราเกิดมาเป็นอะไร <c oughs> เราเกิดมาเป็นอะไรเราก็จะรู้แล้วเราสามารถระลึกชาติถึงผู้อื่นได้ด้วย <c oughs> เขาเรียกว่าบุเพนิสานิวาสานุสติจารย์จะตูปัจจานสุดท้ายเราก็หมดอาสวะเมื่อบมรดาสวะแล้วเน่ะ อภินยาหกหโมกแปดปฏิสัมภิทาสี่ได้หมดเลยต่อไปได้ที่หลังีแรกเนี่ยมันไม่ได้หรอกกิเลสเราไม่ออกนะฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจะมีเครื่องอยู่ไม่เหมือนเราตรงที่ว่าถ้าท่า น, นยังไม่เข้าสมาธิเนี่ยท่านไปอยู่กับตัวหัวเท้าเองไม่เคยอยู่นอกตัวเวลาเวลาจะเข้าสมาธิก็ทิ้งตัวแล้วเข้าสมาธิไป แล้วออกจากตัวก็มาอยู่แค่ออกสมาธิก็อยู่แค่ตัวหัวเท้าไม่มีผู้อื่นเลยไม่ไปหาใครเลยเระหว่างตัวเองกับสมาธิสมาธิกับตัวเองสมาธิกับตัวเองตัวเองกับสมาธิคืออยู่ประจาวันเป็นอย่างนั้นแต่ผู้รชนนะสมาธิกับผู้อื่นสมาธิกับผู้อื่นผู้อื่นกับสมาธิตัวเองไม่มีไง <laughs> เข้าใจไหม <laughs> การที่ไม่มีตัวเองเนี่ยปัญหาเยอะละไม่ได้หรอกพเดมันไม่เห็นโยม นอหลับตาหน้าตัวเองเนี่ยไม่เห็นแต่เวลาเห็นจริงๆนะมันไม่เคยดับเลยนะแล้วเห็นชัดกว่าตาเนื้อเราอีกเชื่อไหมว่าถ้าเราได้เห็นตาในเนี่ยทุกคนไม่เคยจะไม่รักตัวเองเลยมันน่าเบื่อให้มันไม่เหมือนตาเนื้อเราเห็นนะตาเนื้อเราเห็นเเช่นว่าเอ้าหมอเนี่ยเห็นคนป่วยผ่าตัดคนป่วยอยู่เลยซาเปเลยเห็นคนตายเห็นยังไงกรักกิเลสไม่ได้ ทิทางแต่ถ้าใครเห็นด้วยเองนะหละได้ทันทีเลยจิตเราเนี่ยไม่สามารถจะละได้เพราะเมื่อในเมื่อเราไปเห็นผู้อื่นเนี่ยไมงก็ไม่ได้มันเห็นด้วยตาเห็นด้วยใจก็ละไม่ได้เห็นด้วยตาก็ละไม่ได้ก็เห็นด้วยใจก็เอาเขามาคิดนั่นเองก็จดเป็นกีเดท ด, ด้วยซ้ำแต่เมื่อใดตาเราเนี่ยตาในของเราเห็นตัวเองได้เนี่ยละได้ละเมื่อใครเห็นตัวเองได้เนี่ยทุกคนจะไม่รับตัวเองเลย เมือ่อได้เพราะว่ามันเห็นหมดเลยตับไตเสื่อมลแล้วเห็นไม่เคยดับเลยเห็นอย่างเงี้ยยันโน่ น, นยันตายเลยเขากับวันวันอยู่กับตัวเองเท่านั้นเมื่อตัวเองตายเมื่อไหร่นิพานสะาดเดียวนิพานเป็นอย่างนั้นนะนิพานคือทางเส้นเก่าไม่มีเลยถ้าแต่ใครเป็นสวดาบันนะทางเส้นเก่าไม่มีแบบเอาเขาไปทําไมเอาเขามาคิดทําไม่ เต้มจิตเราเนี่ยคิดวุ่นวายไปหมดเลยมันไม่มันคือในโลกเนี้ยไม่มีเราคนเดียวนะทั้งนั้นมีหมดนะภาพเราจะภาพเราคนเดียวที่ไม่มีเนี่ยสู้มันถึงว่าการกระทําอย่างนีน้ไม่เหมือนกันทําสมาธิสมาธินิ่งเนี่ยเดี๋ยวไม่เห็นอะไรก็จ่างแต่นิ่งอย่างเดีย ว, อ, ย อ, ยยวอันนั้นอย่างหนึ่งแต่อันเนี้ยให้เห็นแจ้งมันเป็นตัวของมรรคเป็นตัวของสติปัญสี ฉะนั้นหลายคนที่อได้ฟังได้ที่ได้ฟังทำมาก็ฝึกขัดมาเนี่ยส่วนมากจะมาเข้าใจวิธีนี้เพราะว่าคนที่นํามาสอนไม่ค่อยมีถ้าเราจะทําสมาธิอย่างเดิมเราก็ไม่พ้นทางเก่าอยู่ดีเราสังเกติทางเก่ก็อยู่นั่นภาพเราก็ไม่เห็นกิเลสละไม่ละสิละไม่ได้นะละไม่ได้นะักกิเลสราละไม่ได้ถ้าตราบใดเรามีภาพคนอื่นอยู่ไม่มีทางละได้ นอกจากเกียร์ทิ้งให้หมดแล้วภาพเหานะละได้ฉะนั้นเมื่อใครละได้เนี่ยก็คือจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั้นมันไม่ต้องประคองจิตเลยมันอยู่เพรามันได้เพราะจิตเนี่ยขอให้เห็นตัวเองแจ้งเถอะมันอยู่ได้เลยไม่ต้องประคองแล้วก็จิตของเราเนี่ยเดิมแท้จริงๆมันไม่ไม่ได้เป็นของไหลไปไหนเลื่อนไปไหนนะไม่ได้เลื่อนไหลแต่ที่มันไหลเพราะมันมีเหตุ ป, ปจัจจัยเพราะจิตมันเป็นธาต บางคนคิดว่าโอ้จิตอะมันธรรมชาติของมันมันต้องวิ่งอยู่เงี้ยความจริงจิตไม่ได้วิ่งนะแต่ที่มันวิ่งคือมันผิดปกตินั่นแสดงว่าเราผิดปกติตั้งแต่เกิดด้วยทีถูกต้องผิดปกติหมดเพราะว่าจริงๆแล้วจิตไม่ได้วิ่งนะจิตมันนิ่งอยู่แต่ที่มันวิ่งอยู่เนี่ยมันมันมีกิเลสเท่านั้นเองธรรมชาติของน้ำธรรมชาติของน้ําเนี่ยไม่ได้ไหล ธรรมชาติของไฟก็ไม่กัดแก่งธรรมชาติของลมก็ไม่ได้พัดโบกแต่น้ําไหลเพราะพื้นที่ไม่เท่ากันถ้าเรท้องกันในไหลไม่ไหลก็ไม่ไหลน้ําใส่ขวดดีมันไหลไหมถ้ามันเป็นของไหลมันก็ไหลอยู่ในขวดไม่หยุดดิมันก็นิ่งแสดงว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลแต่ที่ไหลเพราะมันลาดลุ่มไม่เท่ากันไม่ใช่หลือ่าจะได้ว่าจริงๆน้ําไม่ไหลเลยแต่ที่ไหลเพราะมีเหตุปัจจัย จิตเราก็เหมือนกันธรรมชาติอากาศเนี่ยก็ไม่ได้พัดโบกไปไหนแต่พัดโบกเพราะอุณภูมิมันผิดกันแต่ละที่แต่ถ้าเกิดพัดโบกจริงๆนะถ้าอากาศมันไหลจับไซขวดมันก็ไหลเงี้มันก็ไม่ได้พัดไปไหนนะฉะนั้นจิตเราเนี่ยก็เป็นธาตุเหมือนพวกนี้พวกนี้เขาเรียกว่าอากาศธาตุาน้ําก็อโปธาตุฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหล ทีนี้เราทุกคนเกิดมาเห็นมันไหลทั้งวันเลยไม่เห็นหยุดเลยเพราะเราผิดปกติมาตลอดฉะนั้นเขาว่านิพผานนิพพานนี่ยก็คือให้จิตกลับไปสู่กันเป็นดั้งเดิมของเขาที่ไม่ไหลนั่นแหละจิตก็เลยหยุดเลยไม่เห็นมันไหลไปไหนเลยพระยาเจ้ า, จ, าจิตจะไม่มีไหลเลยเพราะมันเข้าไปสู่ธรรมาธาตุดั้งเดิมของมันดั้งเดิมมันไม่ไหลเนี่ยก็กลับไปสู่ความดั้งเดิมของมันเขาเรียกว่านิพพานาธาตุ ดังนั้นถ้าใครอารมณ์นี้ได้วันหนึ่งมีอารมณ์เดียวเท่านั้นไม่มีสองแล้วจิตเราสงบถาวรไม่ใช่สั่วขาวสงบตื่นก็ได้สงบลึกก็ได้ตื่นก็อยู่กับตัวเองไปถ้าสงบทั้งวันลึกก็เข้าสมาธิไปไม่มีข้างนอกไม่มีบุคคลที่สามมีเราคนเดียวเท่านั้นนะไม่มีใครเราอยู่กับตัวเองดังนั้นพระยาเจา้าโสดาบันขึ้นไ ป, ไปจิตไม่ออกนอก จึงไม่ตกนรกไงแต่เราออกในไหลนคิดดีที่ไหนนะนรกทางนั้นนลฉะนั้นวันๆนุ่นนรกปิดแล้ววันๆไม่มีจิตออกนอกเลยตาหูไม่มีผลอายตนะหกนั้นมีเหมือนไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ออกก็เหมือนปิดไปนี่คือชนะคือข้อชนะด้วยปัญญานะ่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่าตัววิปัสนาจนะะนั้นเวลาทำแล้วในจบแล้วจบเลย ไม่ต้องทําความเปลี่ยนแล้วก็สมาธิก็ไม่หายนั้นพระยาเจ้าเนี่ยวันๆอยู่กับตัวเองหัวเท้าเรานั้นแล้วก็ว่างๆก็เข้าสมาธิไปออกมาก็อยู่กับตัวเองตัวเองสมาธิสมาธิกับตัวเองแต่สมาธิเราเนี่ยสมาธิกับผู้อื่นผู้อื่นกับสมาธิณรัชโคนไหนไม่ทําสมาธิเลยก็ผู้อื่นเต็มเต็มสมาธิก็ไม่มีอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีโยมเราดูตัวเองได้เป็นโลกีแล้วเป็นโลโกตะละ เราตระละนี่อยู่กับตัวเองนะนะถ้าใครอยู่กับตัวเองเนี้ย โ, โลกุตระหมดเหนือโลกนะถ้าอยู่กับคนอื่นโล ก, กิยาสมาโล ก, กิยะเข้าใจไหมโยมถ้าทำอย่างนี้ได้นะเดินก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบเราจะเบียดเสียดใครเต็มสีข้างเราจะเบียดใครไปก็เหมือนเราคนเดียว เราอยู่ในป่าก็เหมือนเราคนเดียวอยู่ในเมืองก็เหมือนเราคนเดียวเพราะเราเห็นเราคนเดียวนะสุดยอดเลยนะฉะนั้นจิตของเราไม่มีภาพใครเลยโละทิ้งหมดออกมากเป็นขยะทาไมลกใจเราเต้หมดออกขยะเนี่ยมาไหลวันนคิดอยู่ขยะนั่นเลยความคิดอะไรไม่รู้เต้ไปหมดก็เก็บมาเรื่อยมันจะเกิดมาเก็บมาเกี่ยวมันอยู่ในใจหมดแล้ ว, ลวไม่ไม่ออกเลยนะของใหม่เข้ า, าเลยนของเก่าไม่ออกเลยนะโอ้เต็มไปด้วยอาลง แต่นัเวลาเวลาเราเห็นตัวเองเนี่ยกวาดทิ้งหมดเลยดะงนั้นมีเ้าเรียกว่าการที่เรามีมารคนี่เองทําให้เรามีความสงบอย่างสูงสง่งถ้าใครระอบรมมาร์กได้เนี่ยาพระพญาเจ้าเนะ่ยเครื่องอยู่ของท่านไม่เหมือนเราหรอกวันวันมีแต่อยู่กับตัวเองเท่านั้นไม่อยู่กับใครในโลกแล้ว่างวันไม่มีทางเส้นนั้นเลยมีทางเส้นใหม่อยู่กับตัวเองทางเส้นใหม่ดังนั้นอะไรตรงข้ามหมดเลยวันวันหนึ่งอาณาเขตของ ของกิดของพระยเจ้าคือหัวกระเทา้าอนณาเขตของคนบุรุษชนโน่นไรเกตแดนนะแล้วก็คนลัดเส้นทางอันทั้งเส้นทางเก่าแล้วท่านไม่มีทางเส้นเก่าแล้วมีแต่ทางเส้นใหม่แล้วก็วันวานอยู่กับตัวเองมีความสุขที่สุดในโลกถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นพระก็ไม่สึกเพราะใจยังไม่ไปเลยแล้วตัวจะไปทํำไมแล้วตัวเองเห็นตัวเองแจ้งชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกแล้วความชัดนี้ไม่เคยดับ นะถึงวันตายได้ตายก็เป็นชาติสุดท้ายไม่กลับมากิเลสมันหมดไปตั้งนานแล้วเพราะว่าไม่มีกิจออกนอกก็หมดแนละ้วกิเลสอะ่ะแต่เราออกทุกวันมันก็มีต่อไปนั่นเองถ้ามมันไม่อยู่นะสมาธิก็หยุดนิดเดียวเองนะสมาธินัดนิดเดียวนั้นไม่พอหรอกมันไม่พอที่จะทําอะไรสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิพื้นฐานเล่นเล่ น, เ ล, นเล็กเล็กน้อยน้อย แต่สมาชิกของพระเจ้าเจ้าทั้ง24ชั่วโมงเพราะท่านเป็นนักบวชอาชีพไม่ใช่สมัครเล่นเราสมัครเล่นก็ได้ชั่วโมงสอชั่วโมงก็ดีแล้ว <c oughs> พระอันนี้ต้องได้ได้ตลอดแต่ตลอดชีวิตก็ไม่มีออกถ้า อ, ออกอยู่พระพระเสด็จละภาพะพระก็ไม่ค่อยมั่นคงเพะฉะนั้นะะพระใจออกอยู่อะตัวก็อยากจะไปแล้วจะไปล่ะใจไปน่ะถ้าตัวใจไม่ไปจบปัญหาจบเลย ไม่พลาพระไม่พลาดโยมโยมก็อยากออกบทเลยนะไม่อยากอยู่บ้านแล้วทังนั้นการการอบรมจิตนี้ทำครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องทํานะแล้วผลมันไม่เปลี่ยนนะผมก็เป็นอย่างเนี้วันนี้กันยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งวันพวกนี้ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงสิปีข้างหน้าก็ยี่สิบี่ชั่วโมงหนึ่งเดียวร้อยปีก็หนึ่งเดียวไม่มีทางเส้นเก่าเข้ามายุ่งเลยมีแต่ภาพเราเท่านั้นมีภาพเดียว ยังได้ไหมอย่างนี้โยมนี่คือมัคไหมถ้าเราทําสมาธิอย่างเดียวโยมไม่มีมัคโยมก็ได้แค่สมาธิเล็กน้อยไปะถ้าไม่มีมัคถ้ามัคนี่คือจบเลยปัญหาจบสมมุติว่าเราตายปุ๊บเนี่ยอ่ะจิตเราคิดถึงใครเราเอาเรื่องนั้นไปเกิดคิดถึงบุญเอาบุญไปเกิดคิดถึงบาปบาปไปเกิดแต่ถ้าเราทําสมาธิเข้าสมาธิได้ตายแล้วเข้าสมาธิฌานเราก็เกิดภมวมโลกแต่ นรกก็ไม่ปิดและกิเลสก็ยังไม่ออกแต่เมื่อใดเราทำมรรคเนี่ยต่อ เ, เป็นชาติสุดท้ายเลยมันไม่มีอยู่ในระบบนั้นกิตออกนอกก็ไม่มีกิตเข้าในฌานก็ไม่มีฌานนะ่ะเขาทำตอนใช้ตอนเป็นตอนตายแล้วก็ไม่เอาอไปพระรหันต์ไม่เอาฌานไปนะใช้ในโลกดีเท่านั้นเวลาเราสังขารแล้วเนี่ยเข้าฌานออกฌานเข้าฌานจะดูปริญญานสูตเข้าออกเ้าออกแล้วก็ออกหมดเลย เพราะถ้าไม่ออกติดผมมโลกนะว่าฌานมันเป็นพงหยแต่เอาใช้ตอนเป็นได้ตอนตายก็ฝากว่ากระโลกต่อฉะนั้นออกฌานหมดถ้าอยู่ในฌานไม่ได้นะไม่ได่ฌานเป็นนิพพานนะแต่ที่เป็นก็คือญาณญาณก็คือนอกฌานอีกทีนะฉงนั้นจิตของพระรหัตไม่อยู่ในใ น, ในทุกอย่างตา ย, ายแล้วสงบสงบก่อนตายแล้ววันวันอารมณ์หนึ่งเดียวไม่มีสอง แล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตฝึกครั้งเดียวพอไม่ต้องฝึกใหม่จบแยวเราฝึกยี่สบสามสปียังฝึกอยู่เลยไปถึงไหนเป็นอย่างนั้นไหมก็เราออกสมาธําสมาธิธรรมดาเนี่ยก็ได้แบบธรรมดาเขาทำสมาธิแบบอาชีพก็คือมักมันก็ได้แบบมัก ชั้นมารกเนี่ยมันเป็นของของทุกพระยาเจ้าทั้งหลายทำสังเกตพู้เจ้าในเจ็ขวบก็ได้สมาธิแล้วแต่ยังไม่มีมัชยังไม่จบไปทำสมาธิกับอาราธบททุกกระบทบก็มีสมาธิแล้วแต่ยังไม่มีมัชอีกก็ยังไม่จบอีกสแสวงหาพอรมานตนอีกก็ไม่มีมัชอีกก็เลิกอีกสุดท้ายก็ทางสายกลางที่ไปะอินทร์ดีพินสามสายให้ฟัง แล้วก็ขูจากันละกา ร, ปรเปลี่ยนทุกกาลยาใช่แล้วก็ปเปลี่ยนมักก็บรรลุนะมักนี่มักนี่มันต้องเป็นอีกอย่างกันการ น, นำสมาธิของเราแต่ทุกคนก็ถูกอยู่แล้วเราเริ่มสมาธิก่อนแล้วเราก็ย้ายมามักอีกทีหนึ่งเราก็จะได้ถ้าเราไม่ย้ายเราก็เป็นสมัครเล่นต่อไปสมาธิสมัครเล่นก็ได้แบบเล่นๆทาเล่นๆเข้ <c oughs> เาใจเนาะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ย อืม mm.